ราบรอยเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยให้ให้คิดมีการพิจารณาไข้ควรวญตรวจสอบว่าเราจะเจริญได้อย่างไรปฏิบัติได้อย่างไรอย่างถูกต้องน้อมไปเพื่อให้มีสติเหล่านี้เป็นอย่างไรเป็นต้นเพราะสติอันนี้ถ้าเจริญเติบโตบริบูรณ์สติอันนี้คือสติปฐานสี่เนี่ยนะก็ะถ้าถ้าไข้ครควญละเอียดละเอียดไปแล้วเนี่ยสติที่กล่าวไปก็คือสติปฐานสี่น้อมไปเพื่อพิจารณากายทั้งสิบสี่แบบพระพิจารณาเวทนาทั้ง เกเนี่ยนะพิจารณาจิตทั้งสิประเภทพิจารณาธรรมะทั้งห้ากลุ่ม น, นะนะนิวรณโพชทธชงอายตนะเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าในที่สุดก็คือตั้งเป้าไว้เพื่อการตรัสรู้อริยสัจเราก็มาตั้งมาคิดอีกในหนึ่งขึ้นชื่อว่าคําว่าตรัสรู้ตรัสรู้อะไรโดยทั่วไปเราก็ได้ยินคําว่าตรัสรู้ตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจทั้งหลาย ทีนี้ถามว่ะแล้วสติสัมปชัญญะที่เราเจริญเจริญที่เรียกว่าจเจริญสติไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมมีสติตลอดเลยรู้ตัวไปหมดทําอะไรก็รู้ไปหมดเราว่ังนั้นพอไหมจะพอไหมจะเห็นอริยสัจนะครับถ้าตั้งคําถามว่าเออตอนที่โยมนั่งนั่งอยู่นี่มีสติไหมถ้าถ้า ม, มีใครถามมั้นะมีสติไหมที่นั่งๆ่งอยู่เนี่ยเป็นสติสามโพชงไหมนะ เ, เป็นสติหรือไม่ก็ต้องดูว่าถ้าเป็นกุศลจิตเกิดขึ้นเรียกว่ามีสติว่างั้นเถอะ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 สิ่งที่ควรละเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเพื่อภาวนาเพื่อเจริญคุณธรรมที่ควรเจริญถ้าสติใดที่เป็นไปเพื่อทำกิจสี่ประการนี้สติอันนั้นก็เป็นสติสัมโพชงเคราว่าตั้งเป้าหมายไว้อย่างถูกต้องอพูดแบบภาษาภาษาพระธรรมหน่อยก็คือเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละนั่นเอ ถ้าแสดงตามพระสูตรหลายๆสูตรเช่นนันทะโกวาทสูตรเป็นต้นเนี่ยราะว่าเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญสติอันนี้เนี่ยนะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยกายวิเวกจิตจิตตวิเวกอุปธิวิเวกในที่หนึ่งในที่สองเจริญเพื่ออาศัยตระทางข้าวิเวกวิคขำพนาวิเวกสมุทเฉทวิเวกปฏิปัสสธิวิเวกและ นิสระวิเวกก็แปลว่าเจริญสติอันนี้เป็นไปเพื่อสมอะเป็นไปเพื่อสมถทเป็นไปเพื่อวิปัสสนาเป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งสามัญผลและพระนิพพานคือคือมีเป้าหมายเพื่อโลกุตระรมโดยส่วนเดียวะนะตั้งคุณธรรมเหล่านี้พูดแบบทางโลกก็คือเหมือนกับว่าใครทีอ่อยากจะเดินทางไปที่ ท, ที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งะนะที่เรียกว่าไปแล้วสบายอย่างเดียวเลยเนี่ยนะ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 รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยทาไมท่านไม่ค่อยพูดว่าเป้าหมายต้องชัดเจนทำไมเพราะคําว่าธรรมังสารนังฆะฉามิมันคํายิ่งใหญ่อยู่แล้วเนี่ยนะเป็นคําที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วถ้าถ้าไม่พูดแต่ปากลอยๆเนี่ยนะไม่ไม่พูดโกโก้ไปเฉยๆเนี่ยธรรมังสารนังฆะฉามิก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อมักผลนิพพานอยู่แล้วเพราะว่าคำว่าธรรมะธรรมะเนี่ยนะอ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 โดยส่วนเดียวมีแต่เจริญขึ้นอย่างเดียวเจริญสติอันนี้จากปริตฐะเล็กๆน้อยๆเนี่ยจากยาณวิปปยุทธ์เพิ่มคุณภาพให้เป็นญาณสัมปยุทธ์จากไม่มีปัญญาประกอบให้เป็นเป็นสิ่งที่มีปัญญาประกอบที่มีปัญญาประกอบอยู่แล้วก็จากสะสังขาริกให้เป็นสังขาริกเพิ่มปริมาณเรื่อยๆจากปริตตะเป็นมหคคตะให้ไม่ได้ระดับชานได้ยิ่งดีนะทีนี้จากปริฏตะมหคคตะทำยังไงเพื่ออัปมาณ์นรทำเพื่อ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 ถ้าตื่นเต้นเป็นยังไงใจสูงสูงทำดำเลยใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอีกนะมีความสม่ําเสมอทางจิตใจเนี่ยนะนะเป็นจิตใจที่ไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนนะก็ก็ธรรมะระดับสูงเนี่ยนะเขาเลือกเฟ้นเอาคุณธรรมจากใจนะนะบีบใจเอาคุณธรรมงหมนกะัน่ะใครเคยเห็นเขาคั้นรวงพึ่งไหมยก็คั้นรวงพึ่งนะพึ่งก็เป็นรังรังนะเขาก็มาคั้นเอาแต่น้ําพึ่งชั้นใดก็ใจที่มันหลังให้ประเภทเนี่ยมันมีทั้ง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 ถ้าจะไล่สนิมออกจากทองทําไงทําให้ทองเย็นเย็นเอาสนิมออกได้ไหมไม่ได้เหล็กถ้าจะเอาสนิมออกจากเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กเย็นเย็นนี่เอาสนิมออกได้ไหมไม่ได้แล้วทําไงแล้วต้องเผาให้มันร้อนที่สุดเท่าที่จะร้อนได้แล้วก็เมื่อมันร้อนถึงที่สุดสนิมเป็นต้นมันก็กระเทาะเองสนิมทองมันก็กระเทาะ อ, ออกเองเพราะระบบที่หลอ่อล้อมฉันใดใจของเราก็ต้องมาหล่อล้อมด้วยคุณธรรมแต่ให้ร้อนรนกวนกวายนะฟังให้ดีนะ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 สังคตะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะตามระลึกถึงความเป็นไปแห่งสังคตะธรรมทั้งหลายเพราะผู้ที่เจริญสติมากๆเนี่ยเขาชื่อว่ารู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ได้ละสิ่งที่ควรละออกไปไหมใช่ไหมขณะที่มีสตินี่ชื่อว่าเป็นการรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไหมเพราะถ้าเราบอกว่าเรามีสติจริงเรารู้อะไรบ้างนะสองกนะำหนดรู้อะไรบ้างกําหนดว่าเป็นอะไร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 เราแสดงว่าไม่ดีแล้วถามว่าควรจะเจริญเติบโตแค่ไหนควรจะมีสติเท่าไหนอีกสิบปีข้างหน้าควรจะมีสติเท่าไหนอันเนี้ยที่เรียกว่าภาวนาประธานนะภาวนาประธานคือตั้งไว้ไว้เลยว่าจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะถ้าไม่มีการตั้งเพื่อความเพิ่มขึ้นจะเป็นไปได้ไหมบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ตั้งไว้อย่างนี้มีใครไปตั้งหรือเปล่ามีอัตราตัวตนอะไรอยู่ในนั้นไหมเนี่ยนะ คือในโลกนี้มันก็ไม่มีอัตตาอยู่แล้วล่ะทําให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นอัตตาเนี่ยในะใครสร้างอัตตาเป็นได้ไหมแต่นิชชาทิฏฐิมีได้แต่ทําอย่างเงี้ยแบบคนเข้าใจผิดไหมถ้าไม่ได้เข้าใจผิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอัตตาหรอกเนี่ยนะแต่ถ้าทําด้วยความเข้าใจผิดว่ามีอัตตาเป็นผู้ทํามีเป็นผู้ถูกทําเป็นต้นแบบลัทธิเดรัตถีเออถ้าอย่างนั้นก็ว่าไปอย่างแต่นี้เนี่ยเราไม่ได้เข้าใจผิดอยู่แล้วเพราะว่าเพราะเพราะอะไร ทำไมจึงเรียกว่าไม่เข้าใจผิดก็แยกแยะโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะก็หาศัตท์บุคคลในนั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าที่ต้องเจริญที่มีการตั้งเป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมเนี่ยนะสตินี่แหละเป็นตัวจัดแจงสตินี่นะตั้งสติเพื่อให้มีสติได้ไหมการเจริญที่ถูกต้องที่ทํากิจ ด, ด้วยความไม่ประมาทเหล่านั้นแหละเรียกว่าทําด้วยสติเป็นตัวสติที่มาทํากิจของ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 สตินี่เป็นกลุ่มอภินญาเนี่ยนะสตินี้เป็นกลุ่มอภิญญาแล้วก็สตินี่เป็นตัวปริญญาปริปรญญาแปลว่ารู้รอบรอบรู้เนี่ยสติก็เป็นตัวปริญญาเหมือนกันท i i. ีนี้สิ่งที่สติไปรอบรู้เรียกว่าปริญญยะนะสตินี่เวลาเกิดขึ้นเขาจะทํากิจรู้ยิ่งเพราะเขาอ่รู้ยิ่งในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเขาชื่อว่าได้กำหนดรู้ในสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อละในสิ่งที่ควรละเช่นละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป